ไปเป็นบทที่4นะคะชื่อว่าละความโกรธในการแก้ความโกรธนั้นเป็นความยากลาบากอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีนิสัยมักโกรธเพราะจะเป็นคนโกรธง่ายโกรธนานและวันหลังกลับมาคิดอีกก็โกรธใหม่อีกเป็นเรื่องทรมานมากสำหรับผู้ที่มีนิสัยเช่นนี้ฉันเองนี่แหละที่เป็นตัวอย่างของคนมักโกรธ และได้รับความทุกข์มากมายในใจที่ท่วมท้นไปด้วยความโกรธในแต่ละคราวนอกจากนั้นยังเป็นคนชอบคิดเท่าความถึงความหลังค้างกระโ น, น้นแล้วก็มาเจ็บซ้ำในครั้งกรณีอีกเรียกว่าเจ็บแล้วไม่รู้จักลืมเรื่องโกวดต่างๆในประวัติศาสตร์จึงมักจะกลับฟื้นคืนชีพมาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอๆให้ช้ำแล้วช้ำอีก ในการแก้ไขและฝึกฝนเพื่อล่าความโกรธต้องใช้หลายขั้นตอนมาผสมผสานกันแม้ฉันจะได้แบ่งลำดับออกเป็นหัวข้อเพื่อแยกให้เห็นชัดเจนแล้วก็ตามแต่เวลาฝึกก็ต้องใช้ทั้งหมดนี้รวมกันไม่ใช่ทำทีละข้อทีละข้อไปเหมือนกับเรามีผักพริกโหระพามะเขือไก่แต่ก็ต้องต้มยำทำแกงกันให้เสร็จเรียบร้อย เป็นแกงเขียวหวานไก่ใส่ชา ม, มาแล้วจึงจะกินได้เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันส่วนรสชาติจะปรุงดุเด็ดเผ็ดมันหรือหวานยังไงก็แล้วแต่อัธยาใสถึงแม้ปัจจัยพื้นฐานคือนิสัยของแต่ละคนจะแตกต่างกันมากแต่ชันก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่ฉันจะพูดถึงต่อไปคงจะพอเป็นเส้นประให้เห็นเป็นประมาณได้ ที่จะเล่านี้ประมวลจากประสบการณ์ส่วนตัวอาจจะไม่ตรงกับตำราเล่มอื่นอาจจะปรับเปลี่ยนแก้ไขให้เข้ากับบุคลิกของแต่ละคนนั่นก็ย่อมเป็นเรื่องทำได้โดยเต็มที่ขนาดพิซซาสมัยนี้ยังมีรสต้มยำกุ้งคงไม่มีสิ่งใดต้องกังวลนะคะอันนี้ก็จบคํานำของช่วงนี้นะคะกระตุนก็เป็นรูปกองไฟกองไฟนี้มีหน้าตาด้วยนะคะ กำลังทำหน้าแบบเก่งจริงก็มาดับชั้นสี่อะไรอย่างนี้ทำหน้ายวนๆหน่อยข้อหนึ่งยอมรับในตัวเองว่าเป็นคนมักโกรธตรงนี้ก็มีรูปดาวประกอบนิดนึงนะคะเป็นดาวกำลังมโมโหใหญ่เลยเมื่อสมัยที่เรียนหนังสือ อาจารย์จะบอกว่าสัตว์แต่ละชนิดมีอุดมคติลักคือมีรูปแบบเฉพาะตัวเช่นว a r โฮลสไตล์เฟรเช่นจะต้องมีสีขาวดำฉันนึกไปถึงหมีแพนด้าที่สีดำของมันไม่เคลื่อนที่ไปไหนจนเอามาทำตุ๊กตาได้ง่ายเพราะสีขาวสีดำจะอยู่ประจำตำแหน่งไม่เคลื่อนย้ายมมาปากิ่งหน้าไม่เคยเรียบช้างไม่มีงาเดียวนอกจากจะถูกตัด นิสัยคนก็มีอุดมคติลักเหมือนกันคือควรจะมีนิสัยดีไม่เกเรไมใ่ใจง่ายอุดมคติของนิสัยมีประมาณ35สิห้ล้านอย่างแต่การที่จะมีนิสัยอย่างนั้นให้ครบก็ต้องใช้35้าล้านนิสัยมาล้อมรวมกันแล้วโคลแต่ตอนนี้จะพูดเรื่องเดียวคือเรื่องโกรธตรงนี้ก็มีรูปประกอบนิดนึงนะคะรูปดาว คือดาวตัวเล็กๆถือขวดนมด้วยแต่ก็กำลังต่อยกันอยู่โกรธนั้นเป็นเรื่องใหญ่ขนาดที่ในพระธรรมคำสอนบอกว่าคนมี3มกิเลสคือโลภโกรธหลงจึงประกันได้ว่าโกรธใหญ่จริงนะคะเป็น1ในสของมาเฟียคุมคนคนที่มีนิสัยมากโกรธนั้นเป็นทุกข์นักมันเริ่มไม่สบายตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยคือลคาคาญ วัยรุ่นก็คือหงุดหงิดเป็นผู้ใหญ่ของมันก็คือโกรธแก่ของมันก็คือพยาบาทคนเราก็มีเหล่าร้ายนี้ประดับประดามากน้อยแล้วแต่คราะกรรมแต่ใจก็ไม่สบายไปเสียทั้งหมดแหละเมื่อประสบพบพักไม่ว่าจะตัวไหนก็ตามการจะแก้อะไรสักอย่างจุดเริ่มต้นก็ต้องยอมรับว่ามีเรื่องต้องแก้ บางคนก็ไปมั่วสุมอยู่กับความโกรธโดยไม่รู้ตัวคือรู้ตัวว่าโกรธเหมือนกันน่ะแต่ไม่ยอมรับว่าเกิดมาจากนิสัยของตนเองกลับไปโกรธว่าก็เรื่องนั้นมันสมควรจะถูกโกรธต่างหากเล่าสําหรับคนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองมักโกรธและอยากจะเลิกนิสัยนี้ก็คงไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังอีกต่อไปผงต้องให้เขาอยู่ในความคิดของเขาต่อไปเท่านั้นเพราะมาคิดว่าตนเองไม่ได้มักโกรธ ก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรส่วนคนที่อยากจะเลิกโกรธก็คือต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นคนมักโกรธและไม่ชอบอารมณ์นั้นมีความปรารถนาจะเลิกมันเสียการรู้ตัวเช่นนี้ก็เป็นบันไดขั้นแรกในการที่จะฝึกปลือมเพื่อหยุดความโกรธจบตอนขั้นหนึ่งนะคะกรดตูนก็เป็นเด็กหญิงขวัญก็กำลังวิ่งขึ้นบันดไดหมายถึงว่าจะเริ่ม แก้อะไรเป็นขั้นขั้นไปข้าอ2มีความตั้งใจมากที่จะเลิกโกรธดอกไม้สวยหลากสีบ้านแข่งกันอยู่ในร้านดอกไม้มันหอบเอาหัวใจไปหมดจนอยากจะเมามาทั้งร้าน แต่ก็คงต้องไปช่วยคนขายต้นไม้ใช้นี่อยู่นานเลยถ้าทำอย่างนั้นก็เลยซื้อมาต้นเดียวเป็นลั่นธมต้นสูงเท่าหัวไหลคงตัดมาจากต้นใหญ่ๆต้นไหนสักแห่งเจ้าของร้านบอกว่าไม่ตั้งลดน้ำมากมันจะตายฉันถามอย่างห่วงใยเลอมันไม่ชอบน้ำขนาดนั้นเชียวมันไม่เอาอะไรมากหรอกหักปากก็ติดมันอยากอยู่จะตายไป คำนั้นติดหูกลับมาบ้านมันอยากอยู่จะตายปะฉันเคยได้ยินเรื่องทํานองนี้คนแก่กร้ายตายไม่ยอมตายเพราะรอลูกชายกลับบ้านพอลูกกลับมาได้คุยเรื่องที่ค้างคาใจแล้วก็ตายเป็นความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อรอความตั้งใจมีอนุภาพนักถ้าายปักมันติดเหมือนลั่นทมมันจะไม่ยอมตายง่าย แต่ความตั้งใจของคนปักดิบยากเหมือนไม้บางชนิดที่ต้องเริ่ ม, พมเพาะเมล็ดเวลาเราคุยกัน <c oughs> นะตั้งใจนะตั้งใจนะมองตาแป้วไปในอนาคตว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ดูยาวไกลพอพ้นไปได้สักวันสองวันความตั้งใจมันไม่รู้ไปไหน <c oughs> มันเบื่อ <c oughs> ไปเที่ยวดีกว่าตั้งใจอะไรทีทํานานกว่าจะสําเร็จรอนานไม่ชอบรอ การหยุดความโกรธก็เหมือนกับการเพราะเมล็ดต้องตั้งใจมากที่จะให้มันมีชีวิตอยู่หมายถึงว่าเราจะดำรงความประพฤติไปสู่ความหยุดโกรธนี้ให้ยาวนานและมีความมั่นคงอยู่ในใจมากทีเดียวจึงจะทำได้เรียกว่าต้องเหนื่อยกันพักใหญ่ทีเดียวแหละต้องคอยเลี้ยงดูประครบประงมให้ความตั้งใจนี้อ้วนพีมีแรง อย่าปล่อยให้มันเป็นอนิจจังไปโดยเร็วคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวันเดียวเบื่อหมดความตั้งใจไปสะละก็เป็นอันต้องเลิกราเราต้องมีความตั้งใจซ้อนคือตั้งใจที่จะตั้งใจหยุดโกรธให้ดีแล้วก็จะผ่านไปด้วยดีความตั้งใจนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าโดยธรรมชาติคนเราย่อมรักสบายทาอะไรง่ายๆฉะนั้น ถ้าเราไม่ตั้งใจให้มัน่นเราก็จะยกโทษให้ตัวเองทุกครั้งที่โกรธบอกตัวเองว่าครั้งนี้ขอโกรธก่อนก็เรื่องนี้มันสมควรโกรธเป็นใครก็ต้องโกรธทั้งนั้นแหละสารพัดจะเข้าข้างบอกตัวเองไปเราควรตั้งใจให้สูงว่าไม่ว่าเรื่องสมควรหรือไม่สมควรก็จะไม่โกรธเพราะจุดหมายไม่ได้อยู่ที่ว่ามันสมควรโกรธไหมแต่จุดหมายอยู่ที่ใจจะไม่โกรธ ฉะนั้นแม้ว่าเรื่องนั้นมันจะน่าโกรธก็ต้องทำใจให้ไม่โกรธก่อนและไปจัดการกับเรื่องนั้นๆด้วยเหตุผลต่างๆให้ลุล่วงไปอย่างไม่โกรธบางทีเหมือนเสียดายที่ไม่ได้โกรธเรื่องนั้นมันไม่เทเสียเรี่ยมเสียหน้าโกรธซะหน่อยเพราะการไม่โกรธเป็นเรื่องที่คิดอยู่ว่ามันน่าโกรธก็เหมือนการยอมแพ้คู่กรณีพอตั้งใจไม่โกรธก็ดูเหมือนกับจะยอมอะไรๆ ไ, ไปซะหมด บางคนคิดเลยไปถึงการเป็นคนขี้แพ้แพ้ทุกเรื่องความจริงไม่ใช่หลวงพ่อพระพยอมกรายาโนสอนว่ายอมหยุดเย็นเมื่อเรายอมฟังเราก็จะไม่โกรธการทะเลาะ ก, กันก็จะหยุดไปความเย็นก็จะเข้ามาในใจพอให้มีสติมองเห็นเหตุการณ์ใน ม, มุมอื่นเหตุผลอื่นได้เพราะความเย็นทำให้ตาสว่างมองอะไรได้กว้าง ร้ายเมกหมอกปิดบังคนโบราณว่าให้เอาน้ําเย็นเข้ารูปรูปใครก็ลูปทั้งเราทั้งเขานั่นแหละถ้าโกรธมากเอาน้ําเย็นรูปไม่ไหวเอาน้ําเย็นาสาดก็ยังดีคงใช้แทนกันได้นะยังไงก็คงดีกว่าน้ํำร้อนคือพอมันเย็นไปฝ่ายอีกฝ่ายก็ต้องคลายลงด้วยไม่มีแรงประทะเหมือนตบมือข้างเดียวไม่ดัง แม้เราจะมีความตั้งใจมากแต่ไม่ๆเวลามีเรื่องเข้ามาให้โกรธมันก็จะโกรธคือจับไม่ทันแต่อย่าได้กังวลให้ตั้งใจต่อไปอะไรมันมีใหม่ได้มันก็เก่าได้เก่าก็คือนานคือทำไปนานๆมันก็โกรธช้าลงและน้อยลงไปเองแต่อย่าให้ความตั้งใจมันลดน้อยลงตามไปด้วยก็เป็นอันใช้ได้ก็จบข้อ2นะคะลูกประกอบก็เป็น เด็กหญิงขวักกำลังเอาน้ำสาดไปที่ดาวให้ดาวมันเย็นข้อ3ตุ๊กตาล้มลุกสมัยเป็นเด็กเรียนอยู่ชั้นมัธยมเคยได้ยินอาจารย์พูดว่าสันดอนนั้นขุดง่ายแต่สันดานขุดยาก ฟังฟังไปก็นึกว่าเป็นคำคล้องจองกันเฉยเฉยก็ขำกันไปพอแก่แล้วจะมาฝึกนิสยัยเลิกละนิสยัยมักโกรธของตัวเองจึงได้นึกถึงคำโบราณคำนี้โอ้มันขุดยากจริงๆว่าจะไม่โกรธแล้วเชียวไม่ทันไรเลยโกรธไปเรียบร้อยแล้ววิถีจิตนี่มันไวจริงจริงตามไม่ทันเลยนึกขึ้นมาทีไรเป็นอดีตไปแล้วทุกทีโกรธกันทะเลาะกันไปเรียบร้อยแล้ว บางทีน้ําตาแห้งแล้วถึงได้สํานึกว่าอา้าวโกรธไปอีกละจึงได้นั่งนึกว่าเอา๊จะทําอย่างไรนาะกับความโกรธของตัวเองเพราะโกรธแล้วก็เป็นทุกข์เหลือเกินทําให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นและทําให้คู่กรณีของเราก็โกรธเป็นทุกข์ไปด้วยอีกคนหนึ่งจางไม่ดีจริงๆเลยความโกรธเนี่ยคุณเฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์เขียนเล่าไว้ในหนังสือประวัติชีวิตของเขาเองว่า วันหนึ่งผมก็ลุกขึ้นมาประกาศได้ว่าพรุ่งนี้ผมจะเลิกชั่วตลอดชีวิตและผมก็เลิกเลยโอ้ช่างเป็นคนเข้มแข็งอะไรปานนั้นฉันนึกนิยมในใจครั้งจะเรียนแบบบ้างก็คิดว่าคงจะไปไม่ได้ไกลสําหรับหัวข้อความโกรธนี้เพราะจะเลิกโกรธพรุ่งนี้ไปตลอดชีวิตเลยได้ไงในเมื่อโกรธแล้วยังไม่รู้ตัวเลยตามไม่ทันเห็นทีจะต้องเอาคุณเฉลิมชัยไปเป็นตัวอย่างแก่ตัวเอง ในข้ออื่นจะดีกว่าคิดได้ดังนั้นแล้วฉันก็ย้ายวิกฉันไปดูตุ๊ ก, กตาล้มลุกเป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจไม่เป็นไรวันนี้โกรธแล้วก็โกรธไปพรุ่งนี้ตั้งต้นไม่โกรธกันใหม่ล้มแล้วก็ลุกไปเรื่อยๆผ่อนคลายตัวเองหน่อยพระพุทธเจ้าสอนว่าทางสายกลางแต่อย่าหย่อนเกินไปก็แล้วกันไม่งั้นก็จะเป็น โอ๊ยโกรธได้ยะจะโกรธะอันนี้ก็คือล้มไม่ลุกแล้วก็ไม่ต้องถึงกับหักคะแนนตัวเองตำหนิตัวเองว่าโอ๊ยฉันแย่จังเลยทำไม่ได้เป็นคนไม่เข้มแข็งรู้สึกเศร้าหมองจนบัญทอนกำลังใจตัวเองไม่จำเป็นต้องคิดเช่นนั้นเอาแค่มองตรงคือตั้งใจใหม่กับมองสูงว่าจะต้องทำได้ในที่สุดไม่ต้องมองต่าว่า เราทำไม่ได้เพราะอะไรอะไรมันก็อยู่ที่เราจะเลือกคิดฉะนั้นก็เลือกคิดให้กําลังใจตัวเองเป็นดีที่สุดพูดมาถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าขัดกับข้อที่แล้วที่ว่าให้ตั้งใจมากไม่เช่นนั้นจะยกโทษให้ตัวเองทุกครั้งที่โกรธคราวนี้มาบอกให้เป็นตุ๊ ก, กตาล้มลุกคือโกรธได้แล้วเอาใหม่แต่ตรงนี้มันต่างกัน คือตุกตาล้มลุกเนี่ยรู้ตัวว่าเสียท่ากโกรธไปแล้วให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งยังดำรงความตั้งใจที่จะหยุดโกรธอยู่ให้กาลังใจตัวเองแล้วลองทำใหม่คือตั้งใจที่จะเป็นตุกตาที่ล้มแล้วลุกใหม่ได้แต่ถ้าไม่ตั้งใจก็คือตุกตาที่ล้มแล้วก็เลิกไปเลยส่วนการยกโทษให้ตัวเองที่ว่านั้นคือฉันไม่ผิดเรื่องมันควรจะโกรธหรอก ฉันไม่ได้โกรธไปเองไม่เสียคะแนนว่างั้นเถอะถ้าเข้าใจในนี้ได้ก็จะเห็นว่าสองข้อนี้ไม่ได้ขัดกันต้อนหัดใหม่ๆก็โกรธทุกวันโกรธไปก่อนจับไม่ทันมาคิดได้ทีหลังแต่พอให้กําลังใจตัวเองว่าเป็นตุ ก, กตาล้มลุกเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่อยู่เรื่อยเรื่อมันก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยเรื่อเหมือนกันคือปรากฏว่ามันไวขึ้น จับความรู้สึกได้ไวขึ้นว่ากําลังโกรธนะให้เลิกโกรธกลับมาพิจารณาด้วยเหตุผลต่อมาก็เกือบๆจะโกรธแล้วนะจะรู้ตัวแล้วก็เลิกโกรธหันไปฟังเหตุผลมากขึ้นก็ลืมความโกรธไปใส่ใจกับเรื่องราวต่างๆ ต, ต, ต่อไปพอนานๆเข้ามันไม่โกรธเร็วความโกรธมันค่อยๆช้าลงเ ร, เรื่อยๆ ท่านพุทธาเคยสอนว่าฝึกธรรมะเนี่ยเหมือนฝึกจั ก, กรยานค่อยๆเป็นมันสะสมไว้ไม่หายไปไหนพอเป็นแล้วก็สบายขี่ได้ดีแล้จะกลับไปขี่จั ก, กรยานไม่เป็นอีกก็ไม่ได้มีเพื่อนบางคนเคยเล่าให้เขาฟังและชวนให้ฝึกด้วยกันแต่น่าเสียดายที่ฝึกได้ไม่นาน เขมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลเห็นตัวเองก็ยังโกรธอยู่แล้วก็บอกกับตัวเองว่าโอ๊ยทําไม่ได้หรอกแล้วก็เลิกไปอันนี้น่าจะให้ไปขุดสันดอนเวลาโกรธเป็นการระบายอารมณ์อัดอั้นและยังเป็นประโยชน์แก่เรือสัญจรในแม่น้ำเพราโกรธบ่อยได้ขุดอยู่เรื่อยๆแม่น้ําจะได้ไม่ตื้นกําลังใจเป็นเรื่องสําคัญ ไม่มีใครให้กำลังใจแก่เราได้ดีกว่าหรือเท่ากับตัวเราเองแม้คนสักร้อยมายืนให้กำลังใจเราแต่ถ้าตัวเราเองท้อถอยซะแล้วก็ไม่ส่งให้เกิดผลอันใดวันที่เราไม่โกรธเราอาจ น, นึกชมตัวเองบ้างให้คะแนนตัวเองสักหน่อยเป็นการให้กำลังใจตัวเองอ น, นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือน่าเกลียดอะไรเลยที่จะชมผลงานของตัวเราเองบ้าง เราบอกแก่ตัวเองผู้ได้รับผลงานไม่ได้ไปอวดกับใครไม่ได้ยกยอให้หลงอะไรไปเพียงแต่รู้ตัวว่าเราทาได้สำเร็จครั้งหนึง่งประช่นใจเก็บคะแนนไปเรื่อยการสะสมความเย็นที่เกิดขึ้นในใจในระยะแรกเราจะไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะไม่ได้ผลฉันคิดว่ามันอาจจะเหมือนน้ำแข็งก้อนเล็กๆในแก้วน้ำร้อนที่ทาให้น้าเย็นไม่ได้ แต่พอใส่น้ำแข็งลงไปเรื่อยๆน้ำในแก้วก็เย็นขึ้นคือต้องมีปริมาณและคุณภาพที่พอเพียงมันจึงจะแสดงผลได้เมื่อเราสามารถคุยกับใครหรืออยู่ในสถานการณ์ใดที่เราน่าจะโกรธแล้วเราจะแปลกใจที่ว่าทำไมเราจึงไม่รู้สึกโกรธเราจะมีคำถามกับตัวเองแต่เป็นคำถามที่น่ายินดีค่ะจบตอนนี้นะคะ รูปประกอบก็เป็นรูปต้นสน2ต้นกำลังยิ้มปลกมือนะคะเด็กหญิงขวัญก็กำลังโคง้งรับรับผลงานรับคะแนนที่หายโกรธไปได้แล้วหนึ่งครั้งข้อ4มีสติให้ทันความโกรธ พระพุทธได้กล่าวอยู่เสมอว่าในการเรียนธรรมะจะมีคำที่เป็นคำเดียวกันแต่คนและความหมายเป็นความหมายในภาษาคนพูดทั่วไปกับความหมายในทางธรรมะคำว่าสตินี่ก็เหมือนกันเราพูดคำว่าสติกันมักจะกว้างไปถึงว่ายังมีสติอยู่คือยังไม่หลับหรือสลบไปหรือพูดในความหมายว่ามีสติอยู่ก็คือยังไม่บ้าแต่ในทางธรรมะนั้น บางทีทำงานอยู่คิดอยู่แต่ไม่มีสติก็มีคือไม่ะระลึกขึ้นมาไม่ตรหนักชัดไม่รู้สึกตัวดังนั้นเวลาที่เราโกรธแน่นอนว่าอารมณ์ของคนเรานั้นพุ่งเร็วบางคนแถมมีหางเครื่องพ่วงมายาวเช่นโกรธปุ๊ไม่เพียงแต่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองโกรธยังมือไวหยิบข้าวของเหวี่ยงไปเลยก็มีอารมณ์เร็วขนาดนี้สติที่ไหนจะไล่จับทัน ปล่นกหวีแล้วยังไม่หยุดวิ่งเลยฉะละพอเป็นอย่างนี้แล้วอะไรต่อมีอะไรก็จะตามมายาวพร้อมด้วยเรื่องร้อนร้อยทั้งคำพูดจาการตัดสินใจการกระทบกระทั่งไปจนกระทั่งถึงกระแทกดังนั้นสิ่งที่ต้องฝึกฝนในประการนี้ก็คือฝึกสตินั่นเองให้ะระลึกรู้ตัวว่าเรากำลังเป็นอะไรใหม่ๆก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไร ใจเย็นๆฝึกไปเรื่อยๆหลังจากเล่นซ่อนหากันสักระยะหนึ่งแล้วเราจะพบว่าหาสติเจอในที่สุดเมื่อเจอแล้วต่อไปพอเรากำลังโกรธโกรธโกรธอยู่จับพันธันใดนั้นมันก็จะแวะมายือนอยู่ตรงหน้าบอกให้เรามีสติเราจะรู้สึกตัวว่าเอ๊ะนี่เรากำลังโกรธอยู่นี่พอนึกได้อย่างนี้อะไรๆแถวๆนั้น ที่ครอบครองบรรยากาศอยู่ทั้งมวลก็จะเปลี่ยนไปเหมือนมีคนมายกกาดน้าที่กำลังเดือดลงจากเตาเปิดฝาให้ไอ้น้ำร้อนพุ่งออกมาตามสบายแล้วหย่อนน้ําแข็งลงไปเราจะเริ่มเป็นคนที่พูดจารู้เรื่องขึ้นเลยทําให้คนอื่นพูดรู้เรื่องตามไปด้วยหรืออย่างน้อยก็มีสติพอที่จะขอพักเวลานอกแยกย้ายกันไปสงบสติอารมณ์และค่อยกลับมาคุยกันใหม่ ในบรรยากาศดีๆก็ทำให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายหรือตกลงกันได้ในแนวทางที่ไม่มีความโกรธเข้ามาเอี่ยวด้วยจบข้อสี่นะคะกระตุลก็เป็นสนสองต้นกำลังงงหน้า ต, าตื่นเพราะว่าเห็นเด็กหญิงขวานกำลังเต้นเหงื่ๆอยู่บนเตาไฟด้วยความโกรธ พิจารณาธรรมหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบเย็นของจิตใจหรือเพื่อลดละเลิกโลภโกรธหลงแม้จะประกอบด้วยอุบายและวิธีต่างๆที่จะประกอบเข้าด้วยกันแล้วความเข้าใจในธรรมและพิจารณาในธรรมเป็นสิ่งที่ต้องมีเสมออย่างแน่นอนที่สุดเพราะไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจการให้กำลังใจความมีสติ แต่ก็ต้องมีหลักยึดด้วยเหมือนการก่อสร้างที่มีทรายหินปูนและน้ำแต่ก็ต้องมีเหล็กไว้ยึดกราบเป็นความมั่นคงแข็งแรงเมื่อเราพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ของความโกรธในใจของเราแล้วเราจึงเกิดความรู้สึกว่าอยากเลิกโกรธเพื่อจะได้เย็นสบายเหมือนคนอื่นเขาบ้างนอกจากนี้เรื่องของอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนวก็ดูจะเป็นสิ่งสาคัญ เมื่อเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อไปถึงที่สุดแล้วก็คือความว่างความไม่ใช่ตัวตนใดๆความยึดมั่นถือมั่นต่อสิ่งที่ใจเรายึดอยู่มันก็จะค่อยๆ ค, คลายตัวลงเราจะรู้สึกถึงความสงบในความว่างนั้นและความโกรธต่อเรื่องต่างๆก็ดูจะไร้าสาระลงไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าเราจะโกรธไปเพื่ออะไร เรื่องอะไรๆในที่สุดมันก็จะมีทางออกที่ดีที่สุดตามเหตุตามปัจจัยเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแก้ไขกันไปตามกำลังและวิถีทางที่มีความโกรธไม่ได้ช่วยให้ทางที่ตันทะลุทะลวงความโกรธไม่ได้ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้ขึ้นมาเมื่อมองไกลออกไปกว่าวันนี้ที่นี่บนโต๊ะนี้สิ่งที่เราจับมั่นคั้นตายมันจะยังเป็นอย่างนี้หอ่หรือไม่หรอก ในที่สุดมันก็จะกลายเป็นสิ่งอื่นไปก็ได้ทุกอย่างก็อยู่ในกฎของความไม่เที่ยงทั้งนั้นแล้วเราจะไปยึดมั่นอะไรมากมายทำไม่ดีที่สุดโดยไม่ต้องโกรธไปด้วยได้ไหมท่านอาจารย์วสินอินทสระสอนว่าอนัตตาคือสิ่งที่เกิดตามเหตุปัจจัย เช่นน้ำในแก้วเอาไปใส่ตู้เย็นก็เป็นน้ำแข็งเอาออกจากตู้เย็นก็เป็นน้ำธรรมดาเอาไปต้มก็เป็นน้ำร้อนเป็นไอดูซิว่าตัวตนมันเป็นอะไรแน่อยู่ที่ไหนเป็นน้ำแข็งหรือเป็นน้ำหรือเป็นน้ำร้อนมันไม่มีคือมันเป็นไปตามเหตุที่ไปปรุง หลวงพ่อปัญญานันทะสอนว่าไม่ใช่ตัวตนคืออะไรนี่คนหรือตรงไหนคนตรงนี้หรือไม่ใช่นี่หัวนี่คอนี่ตัวนี่แขนนี่ขาต้องเอามารวมกันแล้วจึงจะเป็นคนถ้าไม่รวมแล้วคนก็ไม่มีดังนั้นถ้าตาเรามองแยกธาตุได้เมื่อใดเราก็จะมองทะลุสิ่งใดๆได้ทั้งหมด ถ้าหันไปมองรอบตัวด้วยดวงตาเชน่นนี้โลกข้างใบก็ว่างเปล่าและชีวิตเราจะมีอะไรนักเล่าก็ว่างเปล่าเช่นกันในหนึ่งก็เหมือนกับภาษาคนกับภาษาธรรมนั่นเองการมองเช่นนี้เป็นการมองด้วยสายตาคนกับสายตาธรรมเช่นกันโลกสองใยมันซ้อนกันอยู่แต่สายตาคนมองได้อย่างที่ใจต้องการจะเห็นส่วนสายตาธรรมมองสิ่งที่เป็นจริงกว้างลึก และยาวไกลกว่ากันมากนะักเมื่อพิจารณาได้ดังนี้แล้วความยึดมั่นในใจเราจะคลายจางลงลอยทำให้ความเป็นคนมักโกรธถดถอยลงไปด้วยโดยอัตโนมัติเท่าที่ประสบมาด้วยตนเองได้พบว่าขณะที่ปากยังคงเถียงอยู่อย่างเจื้อยแจ้วนั้นแต่ในใจกลับนิ่งไม่ได้ร้อนรุ่มแต่ประการใดบางครั้งในใจยังนึกขำอยู่ด้วยว่า นี่เราจะเถียงมาทำไมคือใจกับกายไม่ได้ไปด้วยกันแต่ปาก็ไม่ได้เถียงอย่างดุเดือดเหมือนเมื่อก่อนเถียงไปอย่างนั้นอย่างนั้นตามนิสัยไม่ได้เป็นนัยะรุนแรงอะไรแต่พอนานๆไปใจกับกายก็ค่อยๆเข้ากันได้คือขณะที่ใจนิ่งปาก็ไม่ค่อยจะเถียงแล้วไปด้วยอารมณ์นี้ก็สะสมได้เช่นกันความจรักถึงอนัตตาในใจเรา ดูคล้ายจะเป็นน้ำหนักที่ปูวไว้ไม่ให้โครงเครงยิ่งสะสมไปตามวันเวลามากเท่าใดก็ยิ่งรู้สึกเย็นลงเท่านั้นและจะยังรวมไปถึงอารมณ์อื่นๆและการฝึกฝนอารมณ์อื่นๆก็จะได้ผลไปด้วยในตัวแลนะเป็นผลพลอยได้โดยรวมที่วิเศษยิ่งจบตอนนี้นะคะกระตุนก็เป็นรูปเด็กหญิงขวัญกำลังโมโหหัวลูกเป็นไฟเลยค่ะ หยุดด้วยความคิดสายลมเย็นของแม่น้ําพัดผามาให้ชื่นใจชีวิตรู้สึกสวยงามน่ารักยามที่ได้นั่งพักผ่อนริมสายน้ําเป็นความตระหนักที่ทําให้ต้องขอบคุณธรรมชาติที่ความสงบงามของมันสยบความพยศของใจเราได้ทําให้ใจมีเวลาสงบสุขเรียกว่าเป็นช่วงพักหายใจ ท่านพุทธทาสเคยสอนว่าให้เข้มแข็งเหมือนสายน้าและให้อ่อนโยนเหมือนสายน้าอารมณ์ของเราก็เหมือนสายน้าโดยเฉพาะอารมณ์โกรธยิ่งมีสภาพคล้ายสายน้ำยามความโกรธระบไหลผิวน้ำสงบนิ่งเหมือนน้ำในอ่าวที่ไม่มีคลื่นลมมีเพียงปลายน้ำกระทบหาดเบาๆส่งเสียงกระซิบแซะคลับกรอมอ่อนหวาน ยามความโกรธส่งลูกหลานมาโลดเต้นเช่นพวกความหงุดหงิดลำคาญใจก็เหมือนยามมีคลื่นลมตามชายหาดซาดซาที่พวกเด็กๆชอบไปเล่นเรือกล้วยหอมโต้คลื่นเบาๆกันน้ำกระเพื่อมไม่มีวันหยุดเหมือนใจที่พองหงุดหงิดแล้วก็ไม่ยอมเลิกค่อยๆทำตัวเหมือนน้ำถูกต้มยามที่ความโกรธ ล, ลกุกขึ้นมาอารวาสใ้เปลี่ยนเป็นยักษ์ขมูขี หน้าสีแดงร้อนเหมือนน้ำต้มเสร็จใหม่ๆหินผาหรือฉันจะซัดให้พังเขื่อนหรือฉันจะพุ่งชนให้ทลายบ้านเรือนบนเกาะหรือฉันจะกวาดให้ราบพนาศูนรู้จักไหมฉันเนี่ยคือน้ำผู้ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในสี่ขององค์ประกอบจั ก, กรวาลชนะคนที่มาถึงจุดนี้ใจจะร้อนทุรนทุราย ยิ่งโกรธมากก็ยิ่งสาหัสมากจึงนับว่าเป็นบุญมากถ้าใครได้เกิดมาเป็นคนใจเย็นโกรธยากเพราะความทุกข์ของอารมณ์โกรธนั้นสาหัสนะบางคนมือไม้สัน่นบางคนปวดหัวจี้พวกที่ทำร้ายร่างกายกันก็เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบของความโกรธนั่นเองถ้าไปไม่ถึงที่สุดจะไม่สามารถยับยั้งความโกรธได้เราจึงมักจะพบเสมอว่าพอทาไปแล้วก็มานั่งเสียใจภายหลัง แล้วก็นึกไม่ถึงว่าทำไปได้ยังไงระดับความโกรธของคนแต่ละคนนี่ก็ไม่เท่ากันบางคนโกรธง่ายหายเร็วบางคนโกรธง่ายหายช้าบางคนโกรธช้าหายช้าบางคนโกรธช้าหายเร็วคนสองประเภทหลังนี้ยังนึก ตัวอย่างไม่ได้เลยแต่คนที่ทรมานที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือประเภทโกรธง่ายหายช้าอะไรอะไรคอยจะโกรธไปเสียหมดเพราะว่าโกรธง่ายแต่พอโกรธไปแล้วเกิดหายช้าอีกและมีความโกรธเก็บไว้เยอะอันนี้พอๆกับรายจ่ายเลยบินมาเต็มแต่เงินเดือนออกช้าเหลือเกินกว่าเงินเดือนจะออกยอดบินล้นเงินเดือนไปซะละเมื่อเราทุกทรมานกับความโกรธ เราก็จะต้องก้าวหนีออกจากจุดนั้นด้วยการหยุดโกรธแต่อย่างที่บอกแล้วว่าความโกรธเหมือนสายน้ำที่กำลังแรงถาโถมมาหากจะหยุดโกรธทันทีก็เหมือนปิดประตูน้ำกั้นเขื่อนหรือใดๆที่สกัดกั้นกระแสน้ำไว้ที่จุดหนึ่งโดยทันทีซึ่งผลก็คือการประทะของอารมณ์อย่างรุนแรงซึ่งในลักษณะนี้จะทาไม่ได้ก็คือหยุดโกรธไม่ได้ นอกจากคนนั้นจะอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าผู้ที่ทำไม่โกรธทำให้ต้องหยุดอารมณ์ให้ได้ซึ่งเป็นการเก็บได้ภายนอกแต่ภายในใจแล้วไม่มีทางหยุดได้เลยเมื่อกายกับใจขัดกันเช่นนี้ผลที่ตามมาก็คือความเก็บกดอาจจะหลบหน้าไปหลังบ้านแล้วเคว้งจานสักโหลหนึ่งพอระบายแต่ถ้าไม่ได้ระบายเลยก็จะกลายเป็นคนเก็บกดมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลจากจิตแพทย์ของรัฐบาล อยงนี้ก็มีการ์ตูนขั้นนะคะเป็นรูปเด็กหญิงขวัญกำลังนอนเศร้าอยู่บนโซฟาหมอโรคจิตกำลังรักษาอยู่ค่ะการหยุดความโกรธจึงต้องใช้กลยุทธ์พอสมควรโดยเรียนรู้จากธรรมชาติของน้ำนี่เองเมื่อน้ำถาโถมมาแรงและมีปริมาณมากน้ำมันต้องหาทางไป ถ้ามีคู่ครองที่ไหนกี่สายก็แล้วแต่มันจะกระจายไปทุกครองทุกสายจนกำลังแรงเนี่ยลดลงอารมณ์โกรธก็เหมือนกันไม่อาจหยุดด้วยการปิดกัน้นแต่ทำให้อ่อนแรงลงได้ด้วยการระบายออกไปหลายทางสิ่งนี้ทำได้ด้วยความคิดคือคิดหาทางออกเพื่อใจของเราเองปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ เพลงของวงดนตรีเฉลียงเคยบอกไว้ว่าให้ดูแลใจของเราเองเพราะเราก็เป็นคนหนึ่งคนเหมือนกันคืออย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นทั่วไปหมดทิ้งไว้อยู่คนหนึ่งคือตัวเราเองเออใช่เราก็คนหนึ่งคนเหมือนกันที่จะต้องดูแลด้วยอารมณ์ขันมีส่วนช่วยมากในเรื่องราบความโกรธนี้คิดอะไรก็ให้ขำเข้าไว้ช่วยได้เยอะ ตรงนี้มีรูปการ์ตูนประกอบนะคะเป็นรูปดาวกำลังหัวล้อจนน้ำตาไหลเลยค่ะมีอยู่วันหนึ่งจูจูร้านขายข้าวแกงข้างบ้านก็ย้ายไปมีร้านคาราโอเกะเข้ามาแทนตกกลางคืนมีคนมาร้องเพลงตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าเสียงร้องอย่างนี้ไม่ต้องบอก คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเบิร์ตธงชัยแมากินตามาได้ยินข้าวต้องรีบบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เพลงของผมนะเสียงร้องดังเหมือนมายืนเป่ามาอยู่ตรงระเบียงห้องนอนทำให้ฉันนอนไม่หลับแล้วก็โกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธไปก็นอนไม่หลับไปอยู่หลายคืนฝ่ายละมีทนไม่ไหวโทรไปหาตํารวจเสียงถามกันเองขมไปว่าเฮ้ยแถวนี้มีคาราโอเกะด้วยหรือวะ อ้าวเป็นตำรวจยังไม่รู้เลยอย่างนี้จะตรวจตาให้ความสงบประชาชนได้ยังไงปารามีก็บอกว่าอยู่ริมถนนตรงนี้แหละเสียงดังมากตำรวจตอบกลับมาว่ายังหัวค่ำอยู่เลยจริงมัง้งนาฬิกาเพิ่งจะห้าทุ่มเองยังไม่ดึกของใครก็ไม่รู้แต่แถวนี้ก็ปิดไฟนอนกันทั้งถนนแล้ว ฝาละมีโมโหมากบอกถ้าไม่จัดการจะไปบอกไอทีวีเลยตำรวจตอบกลับมาด้วยเสียงหล่ออย่างสุ ข, ขุมว่าก็ตามใจสิครับเราเลยต้องนอนฟังเสียงไม่หอนกันต่อไปจนในที่สุดฉันก็ตั้งสติได้หลังจากล้มละลายทางจิตวิญญาณมานานเกือบเดือนฉันคิดใหม่ลงไปนั่งตั้งสติแล้วก็เพ่งจิตไปที่เจ้าของเสียงนั้น เหมือนโดเรมอนกำลังร่ายมนหาของวิเศษในกระเป๋าหน้าท้องฉันคิดหลายอย่างเลยเหมือนระบายน้ำไปหลายๆทางอย่างแรกคิดถึงตัวเองเอเรากำลังโกรธอยู่เนี่ยคุณเธอหรือไอหมอนั่นน่ะก็ร้องเพลงอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้รู้เลยว่าเราโกรธเรารู้คนเดียวร้อนจะแย่แล้วในใจเราเนี่ยเครียดมากเลย เราทำร้ายตัวเองแท้แท้นะไม่ช่วยตัวเองไม่เข้าข้างตัวเองเลยเราต้องเลิกโกรธใจจะได้สบายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นไมเกรนหรอกยาแพงนะต่อมาก็คิดถึงนักร้องเสียงกระบอกเออไอหมอนี่ชาติก่อนเราคงไปร้องหนวกหูมันแงชาตินี้เลยต้องมาทนฟังมันกรอกหูเอาบ้างเออนะาชดใช้กรรมไปให้หมดหมดชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกนะ ร้องเร็วๆเข้ามีกี่เพลงล่ะร้องมาแล้วก็แผ่มเมตตาว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเพราะเจ้าก็คงมาใช้กรรมเหมือนกันดูสิใครๆเขาก็หลับกันมีความสุขทั้งตําบลเจ้ามีกรรมต้องมายืนร้องเพลงยันรุ่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนอันเป็นความสุขของชาวโลกแถมยังมาก่อกรรมใหม่โดยไม่รู้ตัวคือรบกวนชาวบ้านเขาคืนนึงก็หลายร้อยคน ยังไม่รู้ต้องไปชดใช้กรรมเอาเมื่อไหร่เลยคิดแล้วก็นึกถึงคำท่านสอนเราต่างเป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโอ้ยมองเห็นภาพสังสารวัตรเลยหมอนี่จะต้องไปชดใช้กรรมชาติไหนพบไหนสภาพไหนเนี่ยจะต้องไปยืนกัดไม้ไปห้าร้อยชาติหรือเปล่านึกแล้วก็ชักสงสารขึ้นมาตัณิดตัณิดก็เลยขำ แล้วก็หายโกรธหายทุกใจไปเลยตั้งแต่คืนนั้นมาก็ไม่รู้สึกหนวกหูอีกต่อไปหลวงพ่อชาสอนว่าเสียงไม่ได้มากลนเราหรอกเราต่างหากที่ไปกวนเสียงเสียงมันลอยอยู่ในอากาศเฉยๆชะลอยบุญกรรมท่านคงจะมาสอนเราพราะคิดได้ไม่นานหลานนั้นก็เจ๊งไปตรงนี้ก็มีรูปการ์ตูนขั้นนะคะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว กำลังกลุมมือหัวเลาะท้องคัดท้องแข็งคำใสเป็นคนชอบโกรธสามีแบบไม่ลืมจำอยู่ได้เป็นสิบสิบปีคิดแล้วคิดอีกเรื่องดีๆไม่ค่อยจำจำแต่เรื่องโกรธโกรธแล้วก็เป็นทุกข์มากมายหาทางออกไม่ได้เพราะไม่ได้หามันวนเวียนคิดอยู่แต่เรื่องนั้น แล้วก็กลับคำถามว่าทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมเขาไม่เป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่เหมือนคนอื่นไม่เห็นคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้กันละฉันได้แต่นั่งหัวเราะไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะคำใสไม่อยากให้ช่วยอยากให้ช่วยฟังบนและเห็นใจว่าคำใสเ่เผชิญทุกใจจริงนานๆเข้าฉันจึงค่อยๆพูดบ้าง คำสายกโกรธที่เขาทำอะไรไม่ถูกใจหรือและคาสายเคยบอกเขาไหมว่าทำยังไงถึงจะถูกใจคาสายทำอะไรถูกใจตัวเองทุกอย่างหรือเปล่าคาสายทำอะไรถูกใจเขาไหมไม่มีใครทำอะไรถูกใจคนอื่นหรือตัวเองไปเสียหมดหรอกขอให้เมตากันนึกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้เถิด แล้วเราจะมาสงสารกันและกันจนไม่อยากจะโกรธกันอีกโกรธกันแล้วได้อะไรขึ้นมาเลยนอกจากได้โกรธได้คับแค้นใจร้อนรุ่มไปทั้งสองฝ่ายเรามีเวลานานา น, นักหรือที่จะมาโกรธกันน่ะอีกไม่นานก็จะตายจากกันไปแล้วอยู่ไม่เห็นถึงร้อยปีสักคนแผ่เมตตาให้กันให้ความสุขแก่กันและกันจะดีกว่าชีวิตจะชื่นใจและสงบสุขเหมือนสายน้า ยามลมโชยมาเพียงเบาๆก็จบตอนนี้นะคะภาพการ์ตูนก็เป็นต้นสนกำลังยิ้มอย่างสบายใจเด็กหญิงขวัญก็แกว่งชิงช้าอยู่ใต้ต้นสนค่ะมีความสุขก็เจ็ดหยุดความโกรธที่กลับมาใหม่ ความการุณาของธรรมชาติที่มีต่อคนเรานั้นน่ามหัศจรรย์นะักข้อหนึ่งในหลายๆข้อนั้นก็คือคนเราคิดได้ทีละเรื่องในขณะที่เราใจจดใจจ่อคิดเรื่องใดอยู่นั้นเราจะคิดเรื่องที่สองพร้อมกันไม่ได้บางคนอาจจะเถียงว่าไม่จริงเขาคิดสองเรื่องได้แต่ถ้าสังเกตลงไปอย่างละเอียดในทุกขณะจิตจเราจะพบว่าที่คิดว่าสองเรื่องพร้อมกันนั้น ยังเป็นการคิดสลับไปสลับมาของเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ทีเหมือนที่เราจะพูดออกมาครั้งเดียวสองคำไม่ได้นั่นเองเพียงแต่คาว่าคิดพร้อมกันนั้นหมายถึงว่าช่วงหนึ่งของเวลานั้นเราคิดสองเรื่องคุณประโยชน์ของข้อนี้เรานำมาช่วยเบ่งเบนความสนใจของเราได้เช่นเมื่อเราโกรธเรื่องของนายคำรณเราไม่อยากจมอยู่ในความโกรธเราก็รู้ทันและหยุดตัวเองหันไปคิดถึงเรื่องนางสาวพลอยสีแทน ใจก็จะต่อความยาวไปเรื่ อ, อยๆเราก็จะทิ้งในคำล่นไว้เบื้องหลังเป็นการเดินออกมาจากความโกรธวิธีหนึ่งบางคนเดินไม่ออกใจบอกว่าหยุดคิดแล้วแต่สมองยังกลับดือ้อคิดต่อเนี่ยมาทําอย่างนี้ได้งไงไม่รู้จกักมีเหตุมีผลซะมั่งเลยแล้วก็จุดๆนะคะคือยาวไปเรื่อยเลยไอ้อย่างนี้ก็ต้องออกกําลังภายในขย่มความคิดหมายว่าให้หยุดได้แล้วอีกทีหนึ่ง แล้วก็บอกกับตัวเองว่าเรื่องมันเก่าไปแล้วเราไม่คิดเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่สมควรแก่เรานั่นยกตนข่มท่านไปเลยความจริงการยกตนข่มท่านเป็นเรื่องไม่ดีแต่อย่างที่ท่านพุทธทาสสอนในที่ดีมีเสียในที่เสียมีดีเรายกตนข่มท่านครั้งนี้เราไม่ได้ไปบอกใครไม่ได้ไปก้าวร้าวใครที่ไหนเรานึกอยู่แต่ในใจของเราเพื่อจะสลัดเรื่องนั้น ให้ความคิดมันหลุดออกไปให้จงได้ในขณะนั้นเท่าที่ใช้มาก็ได้ผลแต่ก็ไม่รับรองผลเป็นสากล ค, คนอื่นใช้อาจจะไม่ได้ผลก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยบางทีเรื่องมันผ่านไปนานแล้วแต่ยังกลับมาคิดอยู่อีกโกรธใหม่เหมือนเรื่องกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าพิจารณาดูก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ตัวเราเองแท้แท้แพ้ความคิดตัวเองใจสั่งใจไม่ได้ อย่างที่เพลงเขาบอกเลยทำให้หวนกลับมาเป็นลมหัวนอยู่เสมอเมื่อเจอแบบนี้ฉันจะใช้วิธีจินตภาพตามแบบที่นักจิตวิทยาเคยเขียนไว้ในหนังสือเกี่ยวกับการใช้พลังแห่งการนึกภาพให้เหมือนเกิดขึ้นจริงกับเราเพื่อเยียวยาจิตใจให้เปลี่ยนไปสู่สภาพจิตที่ต้องการฉันจะนึกภาพจักรวาล มีกล่องสี่เหลี่ยมวางเรียงกันเป็นสายยาวเหมือนรถไฟแต่ละกล่องนั้นก็เหมือนช่วงเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งขณะที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้กล่องที่เรียงกันอยู่นี้ก็จะเคลื่อนห่างออกไปในจักรวาล น, นั้นเป็นกล่องเวลาที่ไม่มีวันหวนกลับมาอีกดังนั้นเมื่อความคิดจากวันเวลาเก่าๆดีตัวมายืนอย่ดลงหน้ามาพาน้าตาให้ไหลมาระบมความคิดให้เจ็บให้โกรธ ฉันก็จะโยนมันกลับเข้าไปในกล่องที่ไกลๆแล้วก็นึกภาพให้ฝากล่องมันปิดลงแล้วก็ใส่กุญแจ ى. นึกว่าให้เรื่องนั้นมันอยู่ในกล่องของเวลาของมันเองเช่นใส่ลงไปในกล่องที่เขียนไว้ว่า10ปีที่แล้วเรื่องของ10ปีที่แล้วก็ให้มันอยู่ในการเวลาของ10ปีที่แล้วนั่นแหละแล้วก็เลื่อนไกลไปเรื่อยๆบนสายพานการเวลาที่ไม่เคยหยุดนิ่งพาเรื่องนั้นไกลออกไปเรื่อยๆ แนตไม่ยอมให้มาอยู่ในความคิดของเราวันนี้และเสริมด้วยการหันเหไปหาเรื่องที่จะต้องคิดต่อไปเพื่อดึงความสนใจเรื่องที่ดึงความคิดได้ดีที่สุดก็คือเรื่องงานพอคิดถึงเรื่องงานปัญหาต่างๆของงานก็จะตามมาทำให้เรามีเรื่องต้องคิดเยอะเลยสมกับคำท่านพุทธท่าที่ว่างานคือชีวิตทำงานให้เป็นสุขสนุกกับการทำงานฉันได้ข้อคิดมาจากรายการโทรทัศน์ว่า การมีปัญหาไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงการแก้ปัญหานี่เองคือความสนุกของงานตรงนี้มีการ์ตูนขั้นนะคะเป็นลูกดาวใส่แว่นกำลังทำงานหัวยุ่งเลยค่ะโทรศัพท์ดังแฝกมากระดาษกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะยุ่งมาก ความจริงความโกรธนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงตามสัจธรรมของธรรมชาติโกรธแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปแต่ที่มันโกรธนานก็เพราะเราดึงเอาไว้เองมันจะเลิกโกรธแล้วแต่เราก็ยังไม่ยอมหยุดคิดคิดต่อไปเรื่อยๆก็โกรธไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าอยากจะเลิกนิสัยโกรธนี้ก็เพียงแต่อย่าดื้อไปดึงไว้ละความสนใจเสียความโกรธก็ต้องหายไปตามธรรมชาติยิ่งฝึกปลือนา น, าน ความเย็นที่ได้รับแต่และครั้งมันจะสะสมไว้เราจะเย็นขึ้นเรื่อยๆ เ, เมื่อฝึกจนได้ระยะได้ปริมาณและคุณภาพแล้วมันจะเริ่มแผ่รังสีมาคลุมตัวเราทําให้เราหายโกรธเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นโกรธง่ายหายเร็วและพัฒนาไปเรื่อยๆจนโกรธยากหายเร็วและในที่สุดก็ไม่โกรธความเย็นนี้จะสัมผัสได้ด้วยใจจนหน้าแปลกใจ แล้เป็นความสุขอย่างยิ่งต้องขอโฆษณาเหมือนการท่องเที่ยวไว้เลยนะคะว่าไม่รองไม่รู้นะจบบทตรงนี้นะคะรูปประกอบก็เป็นรูปกล่องแล้วก็ดาวแล้วก็ดกิงขวัญก็กำลังผลักกล่องพวกนี้ให้เลื่อนไปเรื่อยๆคือกล่องความคิดเหมือนที่ในเรื่องเมื่อกี้นะคะ8ด บทสรุปถึงแม้ว่าสันดานจะขุดยากตามที่โบราณท่านกล่าวแต่สันดานก็เหมือนกับสันดอนนั่นแหละคือขุดได้เพราะขุดยากไม่ได้แปลว่าขุดไม่ได้มันเพียงแต่แปลว่าขุดไม่ง่ายเท่านั้นเองในบทนี้ขอรวบรวมอุปกรณ์การขุดเอามาไว้ในที่เดียวกันอีกครั้งเพื่อให้เห็นภาพรวมได้ง่ายๆคือหนึ่ง ยอมรับในตัวเองว่าเป็นคนมักโกรธ 2. มีความตั้งใจมากที่จะเลิกโกรธ 3. เป็นตุ ก, กตาล้มลุกที่ลุกขึ้นมาใหม่เสมอ 4. มีสติให้ทานความโกรธที่กำลังเกิดขึ้น 5. พิจารณาธรรมแห่งอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของชีวิต 6. ห, หยุดด้วยความคิดเปลี่ยนมุมมองใหม่ คิดใหม่แผ่เมตตาเจ็ดหยุดความโกรธที่กลับมาใหม่ด้วยการเปลี่ยนความสนใจไปสู่สิ่งอื่นเมื่อตั้ง อ, อกตั้งใจดีแล้วก็เดินเครื่องได้ความโกรธก็อารมณ์ของเราเองอย่าไปกลัวมันนะักทำใจแข็งเข้าไว้พระท่านสอนว่าไม่ได้วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็เดือนนี้ ไม่ได้เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ได้เดือนหน้าก็ปีหน้าไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าไม่เป็นไรยังต้องเกิด อ, อีกหลายชาตินะมีเวลาถมไปไม่ต้องกังวลทำดีให้กับคนอื่นออกถมไปทำดีให้กับตัวเองบ้างจะท้อไปใย่ในกะกะจูปมาสูตร พระพุทธเจ้าทรงเตือนภิกษุทั้งหลายว่าคําที่ผู้อื่นจะพึงกล่าวต่อเธอ5ประการต่อไปนี้คือ 1. กล่าวในการนั้นสมควรหรือไม่สมควร 2. กล่าวเรื่องจริงหรือไม่จริง 3. กล่าวถ้อยคําประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 4. กล่าวคำอ่อนหวานหรือหยาบคาย 5. กล่าวด้วยจิตเมตตาหรือกล่าวด้วยโทสะเขาจะกล่าวอย่างไรก็ตามภิกษุจะต้องทำในใจไว้ว่าจิตของเราจักไม่แปรปรวนคือทำจิตให้มั่นคงไว้เราจักไม่เปล่งวาจาชั่วเราจากอนุเคราะห์เขาด้วยวาจาและสิ่งที่เป็นประโยชน์จกมีเมตตาต่อบุคคล น, นั้น เราแจากแผ่เมตตาจิตไปทั่วทั้งโลกทำจิตให้เหมือน 1. นึ่งแผ่นดินซึ่งใครๆจะขุดให้หมดไม่ได้ 2. อ, อากาศซึ่งใครๆจะเขียนหรือระบายด้วยสีใดๆให้ติดไม่ได้ 3. แม่น้ําคงคาที่ใครๆจะเอาคบเพลิงใดๆไปจุดให้ติดไม่ได้คบเพลิงนั้นย่อมดับไปเอง 4. ถุงหนังแมวที่นายช่างฟอกดีแล้วอ่อนนุ่มดังปุยนุ่นและสำลีซึ่งใครจะตีให้ดังไม่ได้ทรงเตือนภิกษุทั้งหลายเป็นประการสุดท้ายว่าหากพวกโจรใจเหี้ยมเอาเรื่อยซึ่งมีด้ามสองข้างมาเลื่อยเธอทั้งหลายแม้กระนั้นถ้าเธอจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามมีใจคิดร้ายต่อโจร น, นั้น ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนเราพวกเธอพึงใส่ใจโอวาดอันเปรียบด้วยเรื่อยนี้เป็นนิดเถิดจะทำให้มองไม่เห็นถ้อยคำใดๆของผู้อื่นที่จะอดทนไม่ได้ข้อนั้นจะเป็นประโยชน์และความสุขแก่พวกเธอตลอดกาลนานมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งฤาษีได้อธิษฐานจิตว่าไม่โกรธ ได้ถูกพระราชาทดสอบโดยตัดแขนฤาษีก็ไม่โกรธพระราชาโกรธให้ตัดขาอีกฤาษีก็ไม่โกรธก็ตัดไปเรื่อยๆในที่สุดฤาษีก็ตายฉันเคยเรียนถามอาจารย์วสินอินทสละว่าเรื่องนี้สอนไม่ให้โกรธแต่ดูราวกับว่าเราให้ความอดทนของคนหนึ่งไปสนองความโกรธของอีกคนหนึ่ง จึงถามว่าจุดนี้ต้องการแสดงอะไรท่านอาจารย์ได้อธิบายว่าท่านสอนภิกษุเพื่อไม่ให้คิดประทุษส้ายผู้อื่นสมณะมีอดทนเป็นกำลังฤาษีท่านบาเพ็ญธรรมโดยอธิษฐานจิตให้ไม่โกรธท่านจึงยอมให้ทาโดยไม่โกรธพระราชามองในมุมกลับคือ ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้สังคมจะสงบมากขึ้นเพราะถ้ามีการไม่ยอมมีการสนองตอบเหตุร้ายก็จะลุกลามคนอาจจะกลัวการสนองตอบก็อาจจะไม่ค่อยทำร้ายผู้อื่นเพราะกลัวได้รับโทษมากคือมองในแง่ว่าถ้าคนอื่นมองอย่างเราสังคมจะสงบเป็นการเสียสละที่อยากเน้นหน่อยก็คือเมตตาการรู้สึกเมตตาทาให้จิตใจอ่อนลงได้เร็ว นึกถึงภาพชีวิตทุกยากที่ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตแล้วทำให้เกิดเมตตาได้ง่ายขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทำจิตให้เหมือนกับแผ่นดินที่ใครจะขุดให้หมดไม่ได้ครั้งแรกที่อ่านเจอประโยคนี้แทบร้องไห้เลยมองดูเถิดถ้าเรามีเมตตาให้กับทุกๆคนได้มากเหมือนกับแผ่นดินที่ขุดไม่มีวันหมดเราจะยังโกรธใครได้อีกหรือ ในเมื่อพวกเราทุกคนลึกๆแล้วก็ควรจะเมตตาต่อกันช่วยเหลือกันเพราะเราต่างก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอลงท้ายด้วยบทกลอนที่ท่านสอนให้พวกเราพวกใจร้อนทั้งหลายหัดดูแลหัวใจตัวเองบ้างดังนี้ ปากเหมือนปูหูเหมือนตะกร้าตาเหมือนตะแกรงปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนั้นบ้างในบางคราวก็จบตอนนี้นะคะทุกประกอบการ์ตูนก็เด็กหญิงขวัญก็กำลังขุดดินใหญ่เลยค่ะ